บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่1ธรรมนิยามหนึ่งและธรรมนิยามสา ม, มีหลักธรรมสองหมดใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยตรัสเรียกว่าเป็นธรรมนิยามตาซึ่งในภาษาไทยนิยมใช้รูปสัพที่เรียกได้สะดวกขึ้นว่าธรรมนิยามและแปลเป็นภาษาไทยอย่างง่ายว่าภาวะที่แน่นอนแหง่งธรรม หรือธรรมดาหรือกฎธรรมชาติคือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดาหรือความเป็นจริงของธรรมชาติตามที่ดำรงอยู่หรือเป็นไปของมันเองพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่มันก็มีก็เป็นไปของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นหลักธรรมสองหมวดสำคัญหรือธรรมนิยามสองชุดนั้นคือชุดที่หนึ่งอิทัปปัจจยตา ได้แก่ปฏิจจสมุปบาทมีองค์ส2บสองหรือพูดให้ง่ายว่าส2บสองหัวข้อมาในพระไตรปิฎกเล่ม16บหสั่งยุตินิกายนิทานวักชุดที่สองอนิจจตาทุกขตาและอนัตตาซึ่งในยุคอัทธกถาเป็นต้นมานิยมเรียกชื่อรวมชุดว่าไตรลักษ์ชุดนี้มาในพระไตรปิฎกเล่มยี่สอังคุตรนิกายติกนิบาต ท, ที่จริง คำที่ส่งเรียกหลักนี้ตรัสเป็นคําคู่ว่าธรรมัติตตาธรรมนิยามตาซึ่งในภาษาไทยเรียกกันว่าธรรมัิติธรรมนิยามและนิยมใช้คําเดียวว่าธรรมนิยามธรรมนิยามสองชุดนี้มีความหมายดังได้อธิบายมาแล้วในบทที่สไตรลักษณ์และบทที่สปฏิจจสมุปบาทตามลําดับแต่เมื่อได้อ่านผ่านมาครบแล้ว เห็นว่าควรสรุปข้อควรทราบไว้ด้วยกันและกล่าวถึงข้อสังเกตบางอย่างไว้ในที่นี้เป็นความรู้เสริมประกอบสักเล็กน้อยธรรมนิยามชุดหนึ่งข้อและชุดสข้อเรียงต่อกันเป็นสี่ข้อและโยงถึงอริยสัจส์่ธรรมนิยามสองชุดนั้นถ้านับจำนวนเรียงต่อกันก็รวมเป็นธรรมนิยามสคือธรรมนิยามหนึ่งอิทัปปัจยตา ธรรมนิยามสอณิจตตาทุกขตาอนัตตาธรรมนิยามาตาซึ่งในภาษาไทยเรียกกันว่าธรรมนิยามชุดที่หนึ่งคืออิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทต่อด้วยธรรมนิยามชุดที่สองที่แสดงไตรลักษณ์สข้อนำมาเรียงต่อกันรวมเป็นธรรมนิยามสี่ข้อดังนี้ข้อหนึ่ง อุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสาทาตุธรมมัต okay sa ิตตาธรรมมณียามตาอิทัพปัจจยตาข้อสองอุปาทาวาภิกเเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสาทาตุธรรมมัติตตาธรรมมณียามตาสัพเพสังขาราอนิจจาติ ข้อสอุปปาทาวาภิกเเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมัติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติข้อสี่อุปปาทาวาภิกเเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมมัติตตา ธรรมนิยามตาสัพเพธรรมมาอนัตตาติมีคำแปลดังนี้ข้อหนึ่งตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุหรือหลักนั้นก็ดำรงอยู่เป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามคืออิทัพปัจจะตาข้อสองิกษุทั้งหลายตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุหรือหลักนั้นก็ดำรงอยู่เป็นธรรมะทิฏฐิเป็นธรรมนิยามว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงข้อสามภิกษุทั้งหลายต ถ, ถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุหรือหลักนั้นก็ดำรงอยู่เป็นธรรมะทิฏฐิเป็นธรรมนิยามว่าสังขารทั้งปวงคงทนอยู่ไม่ได้ข้อสี่ ภิกษุทั้งหลายต ถ, ถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตหรือหลักนั้นก็ดำรงอยู่เป็นธรรมะทิติเป็นธรรมนิยามว่าธรรมทั้งปวงไม่เป็นอัตตาจะแต่หัวข้อมาเรียงเป็นสี่คือธรรมนิยามที่หนึ่งอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทธรรมนิยามที่สองอานิจจตา ภาวะที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมนิยามที่สามทุกขตาภาวะที่สังขารทั้งปวงคงอยู่ไม่ได้ธรรมนิยามที่สอันนัตตาภาวะที่ทำทั้งปวงไม่เป็นอัตตาอย่างที่พูดแล้วว่าข้อหนึ่งอิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมนิยามที่แสดงความเป็นไปของขันห้าในอาการที่สัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยแก่กัน เป็นเรื่องอาการความเป็นไปของสังคตธรรมคือประดาสังขารที่เรียกได้ว่าอยู่เบื้องหลังปรากฏการในโลกแห่งสมมุติข้อสองและข้อสาอณิจจตาและทุกขตาเป็นธรรมนิยามที่แสดงสภาวะของประดาสังขารอันเป็นสังคตธรรมได้แก่ขันห้าทั้งหมดว่ามีลักษณะร่วมกันที่ว่าสัพเพสังขาราสังขารทั้งปวง คือทุกอย่างที่เป็นสังคตะล้วนไม่เที่ยงคงอยู่ไม่ได้เสมอเหมือนกันทั้งหมดข้อสอนัตตาเป็นธรรมนิยามที่แสดงสภาวะของธรรมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสังคตะธรรมหรืออสังคตธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งคือขันห้าทั้งหมดหรือเป็นสิ่งที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งคือนิพานไม่ว่าจะอยู่ในขันห้า หรือเป็นขันธวิมุตตคือพ้นจากขันห้าว่ามีลักษณะร่วมกันคือสัพเพธรรมมาทาทั้งปวงไม่ว่าสังขารเป็นสังฆตะหรือวิสังขารเป็นอสังฆตะล้วนไม่เป็นอัตตาคือเป็นอนัตตาเสมอกันทั้งสิ้นธรรมนิยามที่หนึ่งคืออิทับปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแสดงอาการที่สภาวะธรรมทั้งหลายอันเรียกรวมๆ ว, ว่าขันห้า สัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยแก่กันในแนวทางที่รวมเป็นกระบวนการแห่งการก่อให้เกิดทุกข์ถือว่าเป็นความหมายของอริยสัจข้อที่สองคือสมุทัยอริยสัจดังที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาระอาการที่ขันห้าเป็นไปตามกฎอิทธปัจยตานี้แสดงออกมาในตัวมันเองถึงลักษณะที่เป็นอนิจจและทุกขังของขันทั้งห้า หรือของประดาสังคตธรรมนั้นนี่ก็คือธรรมนิยามที่สองและสคืออนิจจตาและทุกขาพูดให้เต็มตามหลักว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาเมื่อขันห้าเป็นไปตามอิทัปปัจจะตาโดยมีลักษณะเป็นอนิจจาทุกขาอย่างนี้และยังไปรวมอยู่ใต้ธรรมนิยามที่สคืออนัตตาข้อต่อไปด้วย มันจึงมีสภาพเป็นที่ตั้งแห่งทุกเป็นที่ก่อตัวของทุกหรือเป็นที่รวมไว้แห่งศักยภาพของการที่จะเป็นทุกและนี่ก็คือความหมายของอริยสัจข้อที่หนึ่งอันได้แก่ทุกข์อริยสัจในที่สุดถึงแม้สังขารทั้งปวงนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามมันก็คือธรรมมันเป็นสภาวะธรรมเมื่อเป็นสภาวะธรรมมันก็มีภาวะของมันเอง ไม่เป็นใครไม่เป็นของใครไม่ใช่ตัวตนของใครไม่อยู่ในอำนาจของใครที่จะไปสั่งไปบังคับมันได้จริงแล้วตามฐานะที่เป็นสังคตาธรรมมันก็จึงเป็นไปนตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งมันแล้วก็เป็นอนิจจาเป็นทุกขาไปตามเหตุปัจจัยนั้นไม่มีใครสั่งบังคับให้มันไม่เป็นอย่างนั้นได้ดังนั้นสังขารหรือสังฆตธรรมทั้งปวงนั้น จึงมีลักษณะร่วมตามธรรมนิยามที่สข้ออนัตตาคือสัพเพธรร ม, มาอนัตตาทีนี้นอกจากธรรมที่เป็นสังคตธรรมหรือสังขารก็ยังมีธรรมที่เป็นอสังคตธรรมซึ่งพ้นเหนืออิทับปัจจยตาไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงเป็นนิจจาไม่เป็นทุกขาเป็นทุกขนิโรธนี่ก็คืออริยสัจข้อที่สาม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 คือสัพเพทำ ม, มาอนัตตาจึงเป็นลักษณะร่วมของธรรมทั้งปวงทั้งสังขารและวิสังขารหรือทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรมเป็นอันว่าอสังคตธรรมแห่งนิโรอันประจักษ์ในที่จบที่สิ้นสุดที่ไม่เป็นไปแห่งปฏิจจสมุป บ, บาทสมุทัยวาระคือในนิโรทวาระแห่งปฏิจจสมุป บ, บาทหรือพูดให้ง่ายว่าอันลุถึงด้วยการหยุด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 ส่วนอริยสัจข้อที่4คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจที่เรียกสั้นๆว่ามัดพูดอย่างรวบยอดก็คือวิธีปฏิบัติในการที่จะให้กระบวนการของอิทัพปัจจยตาที่เป็นปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาระไม่เป็นไปหยุดรับดับสลายหายไปหรือให้พลิกกลับเป็นปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระนั่นเอง แต่ในการปฏิบัติที่จะให้เป็นอย่างนี้เมื่อแยกแยะออกไปก็มีรายละเอียดมากมายซึ่งจัดเป็นระบบชีวิตดีงามที่เรียกว่ามัชมีองแปดอันสำเร็จด้วยไตรสิกขาซึ่งทั้งหมดนี้ว่าโดยสาระก็คือการละอกุศลและเจริญกุศลและทั้งอกุศลและกุศลก็อยู่ในขันทั้ง5้านั่นเองจะพูดให้ง่ายว่า พัฒนากุศลขันธ์หรืออย่างที่บางท่านชอบพูดให้สะดวกปากพอรู้กันโดยในยะว่าพัฒนาขันธ์ห้าก็พอได้ดังนั้นอริยศัสตร์ข้อที่สคือมครคนี้จึงเป็นไปตามธรรมนิยามที่สองสามสคืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตาทั้งหมดเป็นนั้นว่าในธรรมนิยามสี่ข้อนี้ข้อที่หนึ่ง อิทัปปัจจตาแสดงอาการที่เป็นไปของสังคตธรรมเป็นสาระของอริยสัจข้อ2ข้อที่2และ3อนิจจตาทุกขตาแสดงลักษณะร่วมของสังคตธรรมครอบคลุมอริยสัจข้อหนึ่งสและ4ข้อที่4อนัตตาแสดงลักษณะร่วมของสัพปะธรรมคือทุกสภาวะ ครอบคลุมอริยศัสตร์หมดทั้งสี่ข้อ